เรื่องพระสัมภูตะสานวาสีสมัยนั้นท่านพระสัมภูตะสานวาสีอยู่ที่อโโหขังคะบันพศ ต่อมาท่านพระยะสะกากรดกรบุตรเข้าไปหาท่านพระสัมพูตะสานวาสีณนะที่อโหขังคะบันพ์ครั้นแล้วอภิวาทนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสัมภูตะสานวาสีดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีเหล่านี้ แสดงวัตถุสิบประการในกรุงเวสาลีคือ 1. สิงคิโลนะกับปะเก็บเกลือไว้ในแขนงแล้วฉันกับอาหารรสไม่เค็มได้ 2. ทวังคุละกับปะฉันอาหารเมื่อเงาเลยเวลาเที่ยงไปสององคุลีได้ 3. คามันตระกับปะ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 ประพติตามแบบที่พระอุปชาอาจารย์เคยประพติมาได้ 7. อมะทิตะกัปปะฉันนมสดที่แปรไปแล้วแต่ยังไม่เป็นนมเปรี้ยวได้ 8. ชโลคิดื่มสุราอ่อนๆได้ 9. ้อัทสกานิสีธนะใช้ผ้ารองนั่งไม่มีชายได้สิบ ชาติรูปะระชต์ตักรับทองรับเงินได้ท่านผู้เจริญเอาเถอะพวกเราจงช่วยกันวินิจฉัยอธิกรณ์ น, นี้ก่อนที่อาธรรมจะรุ่งเรืองธรรมจะถูกคัดค้านสิ่งมิใช่วินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะถูกคัดค้านก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกำลัง พวกธรรมวาทีจะอ่อนกำลังพวกอวิญยะวาทีจะมีกำลังพวกวิญยะวาทีจะอ่อนกำลังท่านพระสัมพูตะสานวาสีรับคำของท่านพระยศกากันดกบุตแล้ว